เมาาื่อวานสืนอีเยี่ยมท่านจันทนแข็งแรงละไม่เจอท่านนานท่านนิมนต์ไปงานหล่อพระท่านนึกแต่พฤษจิกาสองพิษจิก า, กาหลังจากนั้นนะไม่ว่างตรงกันสักทีไม่ได้เจอนานวันนี้วันเกิดท่านท่านบอกเดี๋ยวนี้ท่านสบายแล้ว ารับแขกถึงสิบเอ็ดโมงอาจารย์ตาม่เนี่ยเก็บโยมไม่ถึงสิบโมงกว่ากว่ามาไม่ทันอกสบายนะท่านเลยดูสุขโขวิเบโกไปถึงท่านคุยกับท่านพักท่านให้พระออกมากราบพระที่พัรษาน้อยกว่าหลวงพอ่อแล้วเราลงจากศาลามาทั้งแต่ไล่พระลองอมาให้มาเรียน ใจกว้างนะใจกว้างคือคนที่ท่านภาวนาเป็นเนยท่านจะไม่ได้ยึดถือว่าต้องวิธีของชั้นดีที่สุดจะไม่มีเลยจิตใจของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนะคนที่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงนะยไม่ใจแคบถ้าลองคิดว่าวิธีของชั้นดีที่สุดเนี่ยหรือชั้นดีที่สุดเนี่ยเลียวไหลลทางใครทางมันแล้วแต่จริตนิสัย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 กลับบ้านให้นั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงก็สลบนั่งห้านาทียังจะสลบเลยนะหมดแรงงั้นเราก็ต้องฝึกกรรมฐ า, านเท่าที่เราทําได้ไม่ใช่รอว่าต้องมีสมาธิดีก่อนแล้วมาเจริญปัญญานะถ้ารออย่างนั้นชาตินี้ไม่ได้ภาวนาคนที่ทํามากินอยู่ทุกวันเนี้ยเราไม่มีเวลาทําสมาธิเยอะๆทํากันแรมปีนะไม่ใช่ทําวันสองวันนะทำกันแรมปี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 ย้อนไปพี่หนักกายของมันได้เองเหมือนกันนะอย่างนั้นมีสมาธิอันนั้นจิตมันเดินเองแล้วการปฏิบัติมีทั้งหลายแบบราชนลสอนไว้สี่แบบสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันจริงๆมีสามแบบแบบที่สี่เนี่ยพวกที่ภาวนาแล้วไปติดความว่างแบบที่สี่นี้ท่านเลยสอนบอกว่าพวกที่มีธรรมมุททจะ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 ปิติมากเจอแล้วดื่มดำจิตมันไหลไปเคลิ้มไปในปิตินี่ก็เป็นวิปัสสนูนึงในสินะน้อมไปอยู่ในความสว่างในโอภาษโล่งสบายก็เป็นแบบนึงน้อมไปเดินปัญญานะฟุ้งไปในปัญญานี่ก็เป็นอีกแบบนึงมีหลายแบบนะพวกหนึ่งน้อมไปในทางทําความเพียรเดินโจกลมหามลุ่งหามค่ํานะที่ว่ากิเลสไม่เกิดเลยนะ หรือนั่งสมาธิหามรุ่งหามคำ่ำนี่ก็วิปัสสนูอย่างหนึ่งวิปัสสนูมีสิบอย่างไปหาเนาะหลักมีอันเดียวคือจิตไม่ตั้งมัน่นเรียกว่าธรรมมุทัตจะธรรมะอุทัตจะส่วนที่กันเรื่อธรมมุทัตจะทุ้งไปในธรรมะ10บประการนี่จิตไม่ตั้งมัน่นท่านพระนอนบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมัน่นตรงนี้บอกเป๊ะเลย แต่เดิมลงเพ่อพูดเปล่าๆนะเราพูดจากประสบการณ์เออไปเจอตำราเหมือนกันเปียมเลยท่านบอกถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมันไม่ตั้งแล้วอริยมรรคจะเกิดจะเดินไปสู่อริยมรรคต่อได้แต่ถ้าลงไปนอนแช่ฟุ้งออกไปอยู่ข้างนอกให้จิตไม่ถึงฐา น, นอาริยมรรคไม่เกิดออกเนี่ยปริยัติปฏิบัตินั้นตรงกันเป๊ะ ๆ, ๆเล ย, เลยนคนที่แกพราเป็นพระอราหันนะแกมาสารภาพแล้ว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 ตอนนี้ผู้หญิงยังเหลืออีกคนนึงนี้อยู่ทางใต้แต่นี่ไม่ยอมฟังไม่เคยมานะฟังซีดีแล้วบรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่ฟังแล้วบรรลุไม่ได้นะแต่คนนี้มันไม่บรรลุใจไปจับแต่ความว่างความไม่เอาอะไรถ้าไม่สังเกตให้ดีก็เสร็จหลวงพ่อก็เคยเป็นพูดเต็มปากกมาเนี่ยเพราะว่าเคยเป็น ภอวนางนีนะ่ยดูจิตดูใจแล้วโล่งว่างอยู่ตลอดวันตลอดคืนอยู่งนะ้นเป็นปีๆเลยแต่เราสงสัยนะว่ามันไม่ใช่มันไม่ตัดนี่จำได้อย่างหนึง่งว่ามันไม่ตัดถามครูบาอาจารย์ไปถามอาจารย์มหาบัวท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนี่โอ้โหดูไม่ถึงจิตแล้วจิตมันออกนอกไปแล้วนึกว่าดูจิตอยู่ ถึงมาสอนพวกเราเต็มปากเต็มคําเนี่ยเคยผิดมาด้วยตัวเองตรงเนี้ท่านบอกสําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเนี่ยท่านก็ผ่านตรงนี้มาเหมือนกันอาจนรยมหาบัวเราบอกที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตแล้วตรงนี้สําคัญนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยเราพอฟังท่านท่านนี้เรามาบริกรรมพางคจิตไม่เอาจิตไม่ชอบบริกรรม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 ไปเป็นพรหมนะพอได้ยินว่าพระเียอานจะมาเดี๋ยวหายใจอีกทีร <c oughs> ู้มาหายไปแล้ว <c oughs> ไม่อยู่สะแล้ะท่านเป็นพรหมเนี่เสียเวล า, น, านะก็อย่าไปเสียเวลานะกรรมฐานนะคนไหนอย่างเป็นพระนะออกไปบวชแ ล, ล้วมีเวลายเยอะไปนั่งทำสมาธิไม่เป็นไรมีเวลายเยอะมินโยม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 แต่ทางสายอาจารย์แนบเขไปดูสายฟองยุบเขไปดูเนี่ยเที่ยวไปดูเรื่อยๆเที่ยวตะเวนดูเขาปฏิบัติกันการที่เราได้เห็นมิธีปฏิบัติเยอะเนี่ยรู้เลยว่ามันไปได้ขอให้หลักของการเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนยถูกต้องเท่านั้ น, นใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ใช้ได้ทางนั้นเลย แต่ก็มาานบางอย่างเอื้อต่อการเจริญสติบางอย่างไม่เอื้อต่อการเจริญสติอย่างพวกกระสินเนี่ยกระสินที่ดอกนอกเนี่ยจะไม่เอื้อต่อการเจริญสติกระสินภายในเนี่ยจะเอื้อต่อการเจริญสติแต่ก็เจริญยากกระสินภายในคืออะไรคือลมรู้ลมเนี่รู้ลมรู้ไปเรื่อยๆหรือบางคนดูท้องพองยุบนี่เป็นกระสินนะเป็นสมถะดูท้องพองยุบดูลมหายใจ ขยับมือนี่ก็กระสินนะถ้าเพ่งใส่มือถ้าเพ่งใส่มือก็กระสินกสินดินเพ่งดูเพ่งท้องก็กระสินกสินดินเพ่งลมหายใจก็ไปทํากระสินลมนะบางคนคอยรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งเพ่งกระสินนิงเพ่งกระสินไฟรู้เย็นรู้ร้อนลำพังเพ่งกสินเนีไม่เกิดปัญญาไนแต่สมถะสงบเกิดปิติ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 ถ้าเจือด้วยความจงใจอยาเป็นภพแต่เบื้องต้นก็ต้องเจือด้วยความจงใจบ้างไม่จงใจเลย่อหนีไปที่อื่นไม่ภาวนาค่อยฝึกค่อยหัดทุกวันทุกวันไม่ละเลยไม่ต้องรีบเดินหรอกไม่ต้องรีบนิพพานหลอเพื่อนบ้างไม่ต้องรีบแต่เดินทุกวันไม่เลิกปฏิบัติไปทุกวันเดินไปวันละก้าวันละเก้าทุกวันทุกวันอย่าหยุดเท่านั้นแหละ เดินให้ถูกทางนีย่ยเดินออกนอกทางจะสำคัญที่สุดเลยเดินผิดทางเดินออกนอกทางของการจเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรก็ห่างไกลมากผลออกไปเรื่อยอยังจะไปเชียงใหม่นะหันหน้าไปทางพนมเปนแล้วเดินไปเรื่อยเดินไปจนรอบโลกนะกลับมาอยู่พนมเปนไม่ถึงเชียงใหม่ก็ต้องเรียนให้รู้ว่าวิาวธีปฏิบัติจริงๆเดินได้ถูกทางทาง ของการเจริญสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจถ้าแค <ciamo lek pling> ่รู้กายรู้ใจยังเป็นสมถะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจตรงนี้เป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนาท่องไว้เลยนะนี่เป็นสูตรเลยเป็นกฎ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 แต่เสียดายนะไม่อยากคืนเขารู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่งกนี่รู้ว่าไม่ใช่ของเร า, แ ต, นะร า, เราแต่งกเนี่ยคือภูมิจิตของพระสกทาขาพระนาคาคานะงกนะไม่คืนพระนาคาน่าบางหน่อยนะเห็นแล้วกายนี้เป็นทุกข์นะคืนนะยอมคืนคืนกายให้โลกไดนะ้แต่ยังหวงจิตเนี่จิตนี้ของดีของวิเศษ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 แต่ปัญญานี้ไม่เท่ากันปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราปัญญาเบื้องปลายเห็นทุกขนะ์นั่นเองท่านว่าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมเห็นทุกข์ก็ปล่อยวางนะหมดสมูทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเป็นพระอราหันต์ุ่งนะั้นไม่ยากเข้าที่ชิดนะแต่ต้องอดทนคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยดูเขาทำงานไปเรื่อยอย่าเสียเวลาอย่าขี้เกียจหน้าตาวันนี้พวกขี้เกียจเยอะมากเลย เชิญไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับ